ขอนบน้อมต่อพระราตรายต่าไว้ความวารพยังเพื่อนจากธรรมิกทุกๆโรคเจริญในธรรมยังคุณแม่เจร๋ยแล้วมาวยอบัตอุบ า, บาสกวาสิกาทุกๆตนเราก็นั่งฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกัน หลังจากทาวัดเช้าจะพุทต่ อ, อกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็มารวมตัวกันสถานที่กือว่าวัดป่าสุขโตรอรอบขอบชิดนะก็เพื่อที่จะใช้สถานที่เกิดประโยชน์เกิดคุณค่า มาพบทัผู้คนหลังพอรบาอาจารย์หรือกัลยะาณมิตรเพื่อที่จะได้ยินได้ฟังได้สัมผัสจนเกิดความเชื่อเกิดศรัทธาขึ้นมาเพื่อที่จะน้อมนำมาปฏิบัติในรเรื่องของส ต, ติปัฏฐานสี่เพื่อให สติปัฏฐานสี่สี่ฐานเนี่ยมันกลองตัวว่องไวมีการกรู้ในรอบ้อมันอจะเกิดอาการผ่านอาการต่างๆมากมายที่มันจ ะ, จะแสดงปรากฏออกมาเคยหลง<ม>เช่นนิวรธรรมงเนียด่านกันจิตแมมรุษถึงอุณามความดี ของงาหนอนตนดมิทะมันกักขังมันคุกเหมือนตารางแล้วตกเป็นจำเลยบางทีก็หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวัตถุกรรมคุณหลงไปเหมือนกับเราใช้นี่ไม่รู้จักจบจักสิน้นต้องคอยบำบงบำเลอปนเปลอ มันก็เผลอหลงเตายสุดแล้วก็สับสนในการใช้ชีวิตงงตัวเองตอนหายใจ บ, บ่อยๆเมื่อไรจะเช้าจะกินอะไรดีจะไปไหนดีก็รู้สึกวันใจชีวิตยังไม่คล่องตัวไม่สะดวกเราเลยมาฝึกหัดสติมันคล่องตัวไป ในกายในใจของเราในพระรูปแบบการฝึกหัดปฏิบัติที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์หรือว่าบรรพบุรุษตั้งแต่นวลอ่ะองสมเด็จจำมาว่าเจ้าได้เชียวไท่านเป็นบรลุมะโคที่เหลือ่าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีวว่าบรรยากาศของกายามิต ที่ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัส น, นอกจากที่เราจะใช้วัตถุอื่นนอกตัวมาเป็นสิ่งแวดลอ้อมแล้วเราก็ใช้กายใช้ใจของเราที่มีอยู่เอามาฝึกมาหัดเป็นอุปกรณ์เคยเกิดเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นนำรรมาทำขึ้นมามันมีอยู่แล้วในตัวเราแล้วก็สามารถที่จะพึ่งได้ เช่นสติสัมปจญญะสมาธิปัญญามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราแล้วก็มีอยู่นานแล้วด้วยแต่เพียงแค่ว่าความคิดการปรุงกันแต่งที่สังคมมอบให้สังคมรอบกก้มจีชวนจีนำสร้างกระแสแล้วเราก็หลงเผลอ <c oughs> หลงเพลอเข้าไปยึด <c oughs> ถือว่าสิ่งเหล่านี้นะคือตัวคือตนนะคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะกายของเรานะมันเป็นลักษณะของก้อนทุกขนะ์ซึ่งเราจะปนเปือขนาดไหนก็ต้องแก่ต้องเจ็ บ, ต, จบ ต, ต้องตายนะมีโรคภยัยไข้เจ็บโรคกาพยาธิมากมายจิตใจของเรานะมันก็ควบคุมไม่ได้ ไม่สามารถที่จะห้ามความคิดการนึกการปรุงการแต่งห้ามไม่ได้เหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมารอบตัวห้ามไม่ได้แต่เราสามารถจะรู้ทันรู้เท่าเท่าที่มันเกิดรู้ได้ทุกครั้งที่เราเคลื่อนมือรู้สึกอันนี้เป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นเลยการเดินจงกรมแต่แลนนะขณะเป็นปฏิบัติณนะอันนี้เริ่มต้นเลย การฝึกสติของเราให้มันรู้แล้วก็รู้แบบคร่องตัวขึ้นจเจริญสติสติก็จะเจริญขึ้นคำว่าสติแปลว่าเรารู้นะพระบวชใหม่นะได้ท่องเลยตั้งแต่วันแรกงการบวชพระอาจารย์พระกรรมอาจารย์ต่างๆทำให้โอกาสได้ชี้ได้นําก็จะชี้เลยบริเชษที่หนึ่งนวโกว่าพระใหม่ จะต้องรู้และสติคือการรู้รู้สมัมผัสยาคือรู้ตัวตัวพร้อมมันเป็นธรรมเป็นคุณธรรมที่ใหญ่สุดบรรดาธรรมของที่มันมีอยู่เป็นสัญธรรมความจริงทั้งหมดมันเป็นรอยเท้าช้างมีการเปรียบเทียบทำทั้งหลายทั้งปวงเล็กๆน้อยที่เกิดขึ้นมาทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศล เระทิ้มกันก็คือมันเกิดในอารมณ์ในการปรุงแต่งในความคิดถ้าเราไม่มีสติรู้ที่ฐานกายเราก็จะเผลอหลงเข้าไปคิดละโลภคิดละโกรธคิดล้วหลงคิดละรักคิดละจังคิดละอิชฉาหรือยาคิด้วิตกกังวลคิดละสุขคิดละทุกมาเกิดจากการคิดของเราวิธีคิดของเราพื้นฐานของจิตเป็นคนอย่างไร ตัวสัตว์เจริญก็จะคิดแล้วก็ไหลไปทางหวดงิดง่ายโะะลวพระเจริญก็คิดแล้วก็ไหลไปทางราคาการให้ราคาต่างตาหูจมูกเลี้ยกายใจว่าถูกการมั่วขวนยังงมีตัวก็หลงตัวมีบ้านก็หลงบ้านมีงานก็หลงงานมีทิฏฐิมาหน้าต่างๆก็หลงก็ไปเป็นอัตราตัวตนความยิงปไปย่องลําพองตรนงเหยโสหัง อันนี้เราก็กลับมาหาความรู้สึกในการฝึกหัดแบบแนวหลุมบทเรียนนะต้องเป็นความรู้สึกที่กระตักการเคลื่อนไหวเพราะว่าเจตนามันคือกรรมนะกรรมดีก็ต้องเจตนากรรำชั่นก็ต้องเจตนากรรมาฐานก็ต้องมีเจตนาเรียกว่านาำย่อกับนาำบ่งนะมันเคยเผลอไปสุขไปทุกข์เนะี่ยเราก็ต้องรู้เป็นปกตินะพอรู้สึกตัวใจมีปกติอยู่กับกาย ผลลัพธ์เมื่อเจามาจิตก็คือปกติพอเตรียมใจมาหลงสติโยความคิดมันก็จะโรกดหลงรักชังสุขทุกข์อย่างที่มันเคยเป็นนิสัยอันนี้จึงเป็นแบบฝึกหัดที่เราจะต้องมาฝึกหัดกันเราจะมากี่วันก็ตามสามวันหวันเจ็วันหนึ่งเดือนหนึ่งปีสองปีกี่ปีก็ตามเป็นแบบฝึกหัดเดียวฝึกหัดจะเห็นกายหยาบเห็นกายดุนก้อน มันเป็นตัวเราอยู่ส่วนหนึ่งนะก็เป็นกายหยาบนะที่เป็นนอกตัวอยู่ส่วนหนึ่งมันก็จะเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาด้วยอาการของสติหรือความรู้สึกตัวมันจะเห็นกายในกายมไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอย่านงะเช่นเราเห็นตัวเองอยู่นั่งอยู่ขนาดนี้ยมันมีภายนอกนะมันเป็นกายของตัวเราอยู่ส่วนหนึ่งที่เรารู้เราอยู่ เป็นกลายดุนก้อนแล้วก็ตัวรู้สึกไงนะมันจะมีภายนอกจนมันจะเคลื่อนไหวก็มันอยู่เป็นวัตถุอาการกิริยานะมันแยกกันนะต้องวังเหตุปัจจัยภายนอกกับตัวเรากับตัวรู้นะนะคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยภายนอกเขาจะเคลื่อนไหวแต่จใจเราไม่ได้เคลื่อนไปด้วยแต่รู้มันจะเกิดปัญญาเบื้องต้นขึ้นมาแล้วยิ่งเรามาฝูกตัวเราเราเคลื่อนไหวนะ น, นะพลิกมือรู้สึกยกมือรู้สึก เราเหน็นมันมีตัวเครื่องดุลก้อนอยู่ตัวหนึ่งแล้วตัวรู้นิ่งดูอยู่ตัวหนึงพอเราเริ่มแยกได้เห็นก็สนุกแล้วนะมันจะเห็นความคิดเนี่ยบางทีมันก็คิดขึ้นมาปรุงต่างขึ้นมาบางทีมันก็ไม่ได้คิดมันนิ่ ง, งรู้อยู่จริงๆมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นปัญญาภาวนาที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็แปลกดีเขาขาวุนวายแต่ว่าเราไม่วุ่นวายอย่างเงี้ย เขาก็เริ่มมีอาการกริยาแต่เราก็ยังนิ่งดูอยู่จิตมันนิ่งดูอยู่ร่างกายก็ยังนิ่งอยู่นะจนกว่าจิตมันจะสั่งให้ไปเกี่ยวข้องเเราก็เริ่มเห็นกระบวนการทิ่มปลากดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เริ่มต้นต้องวางกายให้สบายวางใจให้สบายวางกายคลคลๆวางใจให้สบายกลางๆอันนี้เป็นเทคนิคปฏิบัติแบบแนวหลวงปู่เตียนจิตสโุโภนะนะนะไม่ห้ามความคิดน มันเกิดขึ้นมาแล้วกลับมารู้สึกตัวรู้ปัจจุบันที่กายรว้เป็นการกระทบสัมผัสรู้ไม่ต้องคิดเอานะแล้วก็ทำํำนะขณะหนึ่งวินาทีหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งทําเรื่อยๆไปรู้เคลื่อนรู้หยุดรู้นิ่งนะรูนะ้บางทีก็ลมหายใจนะท้องพองยุอบางทีก็ไปรู้ของมันบางทีก็พิบตามก็รู้ของมันบางทีลมมาพัด๊ดนะ มันจะรู้ของมั น, มนรู้สึกตัวที่ฐานกายไว้ก่อแล้วก็ฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับหลับแล้วก็แล้วกันทั้งวันอันนี้ไม่ถือว่าปฏิบัติแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ถือว่าปฏิบัติอย่างง่ายหรือ ว, ว่ า, ย า, ยาอย่างยากยากอย่างยากหรือวละเอียดอันนี้ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นระนะัดประสบการณ์ที่ไทยสุดมันจะเลือกเฟ้นหลังจากที่เรียนผิดมันก็เรียนเรียนถูกมันก็เรียน แต่ท้ายสุดจิตมันจะมีปัญญามัะฉลาดจะเลือกได้ว่าเดี๋ยวนี้จะอยู่อย่างไงโดยที่ไม่ต้องทุกข์จะอยู่กับสติรู้กายสติรู้จิตรู้สติรูร้ส ต, สติโดยที่ไม่ต้องทุกข์มันจะบอกโดยปัญญาของมันจากประสบการณ์ที่เราฝึกหัปฏิบัติกันมาฉะนั้นจะมีหลักการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติอย่างง่ายอย่างง่ายเลยว่าสุขะ สนะุขขาปฏิปทา้เราก็เป็นระนาะให้ผลอย่างเลิศนะก็คือเป็นระนาของที่มันมีผลเกิดจากการวางจิตวางใจถูกต้องหนะรือว่าขี ป, ป่าอภิญยานะปฏิบัติอย่างง่ายให้ผลอย่างเลิศนะบางคนปฏิบัติง่ายๆให้ผลเลรื่อยๆเพราะมันถึงเวลานะชีวิตที่ใช้มามันสุกงอมนะพอมาเข้าถึงหลักปฏิบัตินะ มีแบบฝึกหัดลงไปลองผิดลองถูกลงไปมันก็เข้าล่องเข้ารอยแบบง่ายๆอันนี้ถือว่าทําดีในการก่อนเป็นคนที่มีบุญมีวาสนามีสติมีปัญญาตามสมควรพอมีการชี้ช่องเด็ดตรงของสัจจะความจริงผู้รู้ก็รู้จริงผู้ทําก็ทําจริงก็มีผลเหมือนกันบางทีก็ทําอย่างยากแล้วก็ให้ผลอย่างเลิศเหมือนกัน ทำอย่างยากครับเพราะว่าเราเคยสะดวกสบายมาก่อนเคยจมอยู่ในกองของกิเลสอยากกินก็ได้กินอยากนอนก็ได้นอนอยากหวานก็ได้หวานอยากเปรียปร้ยวก็ได้เปรี้ยวได้ดังใจจะทําอะไรก็ทําได้เนลมิตได้นะท้ายสุดก็คือมันติดอย่างติดกาแฟอยู่ๆจะมางดกาแฟ ม, มันก็ลําบากอยู่ก็ต้องหักดิบเลยอย่างนั้นเคยนอนกลางวันเราก็ไม่นอนกลางวัน แล้วก็ทวนออกมามันก็ยากนะยัางองคสมเด็จสัมมาจ้านะอยู่วังอยู่วังเห็นว่ามันไม่ใช่สถานที่ที่จะทําให้เกิดการค้นพบศาสตจ์ทางความจริงนะก็เลยออกแสวงหามฆะธรรมนะไปอยู่ป่านะอยู่โคนไม้น้นท่าน้นกองกวา ง, งนะน้นเลือนว่างนะอยู่ตามมีตามได้ไม่ขวนขวายทุกทีเดียวมาบําเพ็ญทุกขเกย์ยานะวันเป็นเดือนหก กินสิาข้ามมัญญามาปิรกาวันพุธถึงเข้าใจที่ผ่านมาเราังเป็นทุกกิริยาจนะทังมันทำตัวเองให้ลำบากเป็นลนักษณะของอัตตัญาณิานุโยงนะก็เลยค่อยๆนะปรับเปลี่ยนผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขนะจนรู้สึกว่าเออร่างกายก็สบายนะท้ายสุดก็มีความสำเร็จนะบางทีเราก็ต้องหักดิบไปก่อนนะสำรวมอินทรีย์ไม่ดูได้เราก็ไม่ดู ไม่ฟังได้แล้วก็ไม่ฟังไม่สนใจออกไปนอกตัวี้นอันนี้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกอึดอัดหรือบางทีก็งดหงุดหงิดเครียดรู้สึกว่าถูกบังคับแล้วก็เหนื่อยใจอย่างนี้หมดหมดกําลังจิตใจก็อ่อนแรงไม่มีแ ม, ม้กระทั่งกําลังที่จะลุกจากที่นอนหรือว่าเคลื่อนไม้เคลื่อนมือเคลื่อนไหวต่างๆเคยสังเกตไหมบางทีเรานอนจกนกระทั่งหลายชั่วโมง จะดจมงบางทีก็พักเป็นวันเลยยิงนอนก็ยิงเพลียเปรี ย, รยหมดเรียวหมดแรงลุกก็เจ๋วเจเลงสแสดงว่ามันหมดกำลังใจอันนี้พอมาที่นี่เราก็ต้องเรียกว่าฝึกสักหน่อยลำบากเป็นทุกข์สักนิดนึงอันนี้เรียกว่าทุกข์ขาปฏิปทาแต่ว่าผลมันอาจจะเป็นขิด ป, ป่าปิญญามันเป็นเรื่องของการให้ผลอย่างเริศ เราก็ต้องกลับมาสังเกตบางคนก็ปฏิบัติสบายแล้วก็ไม่ให้ผลอะไรบางคนก็ปฏิบัติลำบากแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรก็คือคนที่ไม่มีปัญญาเท่านั้นคนที่มีการสังเกตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตตัวเราเองอยู่นะเรียกว่าทียิบเลยให้สมกับการที่เราได้สละออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องดยเรือนแล้วมาอยู่วัดวารามแล้วก็วัดเต็มที่เลยเอากายเคลื่อไนไหวใวัดนั้น ถ้าเคลื่นไหวได้ขนาหนึ่งก็มีกําลังใจขณะหนึ่งเป็นกําลังของสติระลึกรู้เป็นกรรมฐานเจตนาเคลื่อนการไหวแต่และขณะมันก็เป็นปัจจุบันให้สติได้ระลึกรู้ระลึกรู้ระลึกรู้ก็จะเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาคือความคิดที่เป็นนามธรรมมันเป็นนามรูปนะเป็นนามจะเป็นรูปด้วยสามารถเป็นวัตถุอาการกิริยาให้เราได้สุขได้ทุกข์ใหม่ นึกถึงว่าแม่เสียชีวิตแล้วนึกถึงว่า อ, อกหักรักหายนึกถึงว่าเคยถูกตลายยศหักหน้าหักหลังรู้สึกว่าเคยสูญเสียผลประโยชน์อย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของเราเคยผ่านอาการเป็นอาการตายเฉียดตายมาบางทีมันคนลุกคนพองใหม่ <c oughs> มันก็คือมันเป็นวัตถุอาการเป็นนามรูปสามารถทําให้เราสุขในทุกในปัจจุบันเนี่ยทั้งหลายผ่านมาแล้วบางทีก็ล้วง เอาซากความสุขกเก่าๆมาเจ็บใหม่ความภาคภูมิใจผ่านมาแล้วแต่ยังเก็บเอาซากเน่าๆะะมาปรุงแต่งจนกระทั่งความสุขของปัจจุบันที่ควรจะเห็นในโลงความเป็นจริงมันถูกละเลยผ่านไปมันเป็นชีวิตที่อยู่กับมายาภาย้าผูตลอดเวลเลยอวนาคมาเป็นสุขอวดีมาเป็นสุขอวนาคมาเป็นทุกข์อวดีมาเป็นทุกข์ไม่ได้เห็นโลงความเป็นจริงอันนี้ปัญญามไม่เกิดนะั เราก็จึงนะมีลักษณะของประสบการณ์ของไก่ของเราที่จะต้องนะปีกวิเวกไม่รุกคีพูดแต่น้อยนะสำรวนตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ใส่วิชากรรมฐานลงไปไนะกยเคลื่อนไหวใจรู้ไก่ทาอะไรใจทําด้วยนะั่งเดินยือนนอนก็ให้รู้สึกตัวเข้าไว้บางทีเรานอนมันก็อาจจะให้ผลเป็นวิปัจฉมาหมายถึงว่านอนแล้วจะหลับไหลนะ มันก็มีเหมือนกันใช้บทภาดีนั่งเดินยืนนอนเนี่ยเดินก็เป็นวิปัสสนาก็ได้หรือเป็นสมถะก็ได้หรือว่าไม่เป็นอะไรเลยก็ได้เดินจมนกจมไม้เดินตามกิเลสอย่างเดินตามความคิดอย่างเงี้ยมันก็ให้ผลเหมือนกับเราเคยมีชีวิตอยู่เคยเป็นยังไงก็เป็นอย่าง น, น, นั้นอันเนี้ยจิตก็จะดื้อด้านนีเราก็เลยต้องฟังกันอย่างครั้นี้ก็เห็นว่าเราเดินทางกันมาไกลอ่ะ แนวสายการเดินทางเรียกว่ายานผานะส่งจากบ้านที่เราอยู่และที่ทํางานที่เราอยู่มายังวัดป่าสุกโตอันนี้เรียกว่ายานผานะสามารถขนส่งวัตถุรูปธรรมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งส่วนลนักษณะของความรู้สึกตัวนันเป็นญานที่เรียกว่ายานของปัญญามันก็จะขนส่งปัญญาสติปัฏฐานนันเป็นญาณของปัญญา ที่จะขนจงนะให้ผลจากปัญหาทั้งปวงนะจากหลงเป็นรู้จากโกรธมาเป็นปกติจากวิตกกัางบนนะเคยโมโหโกรธถนะึงเครียดปูกกวดมาเป็นปกติเคยไม่สบายใจว้าวเวเหนีขี้น้อยใจไม่มั่นใจในตัวเองมาเป็นความปกตินะเคยคิดแ ล, ลด้วโกรธม่ผลต่อตับเคยคิดแล้วก็กลัวมีผลต่อไต เคยคิดแล้วก็ดีใจมีผลต่อหัวใจเคยคิดแล้วกักงวลใจมีผลต่อม้าเคยคิดแล้วก็วิตกกังวลจนทั้งเป็นโรคจิตโรคประสาทสารพัดโรคที่เขาเรียกกันนะกินแล้วก็ต้องล้วงคอเนะนื่องจากกลัวไม่สวยนะกลัวอ้วนแต่ว่าอาหารมันเยอะอาหารรสชาติมันดีอย่างไงี้ยพอเครียดกินรสจัดท้ายสุดก็กลัวเป็นโครคไตใกล้จะกับล้วงคอเ มันก็จะเป็นโรคนะที่สังคมเด็กรุ่นใหม่มันจะเป็นกันนะหรือว่าเป็นโรคที่เวลาอยู่คนเดียวบางขณะก็กระตือรือร้นขึ้นมามีอาการที่มันแอคทีฟเห็นอะไรก็หน้าทําไปหมดมีเงินก็จับใจ่ายใช้สอยอย่างเงี้ยนะพอหมดเงินหมดทองหรือว่าพอหมดแรงหมดกําลังก็นอนซมอยู่บนเตียงนะทําอะไรไม่ไหวหมดแกยวหมดแรงเด็กยุคปัจจุบันหรือคนยุคปัจจุบันก็เป็นกันมากนะโรคเนี้ย หรือว่าบางทีเราก็วาดฝันนะว่าต้องการว่าให้ได้ชีวิตของเรามีความฝันว่ามีแล้วจะมีความสุขก็วาดเอาไว้ต่างๆมากมายเป็นอำนาจนิยมเป็นทุนนิยมเป็นบริโภคนิยมเป็นเกียรตินิยมเป็นลักษณะของบนนิยมต่างๆแล้วก็หวังว่าสิ่งนั้นมีแล้วจะมีความสุขได้ต้นแบบมาจากผู้อื่นอันนี้ก็เป็นโลกอีกอันหนึงหรือ บ, บางทีเราก็เป็นคนที่เฉยเลยเฉยแต่ว่า เก็บข้อมูลตลอดคนนั่นเป็นอย่างั้นคนนี้เป็นนี้แต่ว่าไม่กล้าแสดงออกว่าเฉยจริงๆดูจริงๆมีข้อมูลจากคนอื่นมากม้ยแล้วกนะ็เครียดอยู่คนเดียวยเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้จนกระทั่งเป็นถังขยะที่มันเน่าในเปียกแฉนะเป็นอกกัดหนองตร อ, อมตอมตรอมใจอยู่คนเดียวนะมีปัญหาต่างๆก็ไม่สามารถระบายออกได้นะอันนี้เป็นโรคอีกชนิดหนึ่งเราก็จึงนี่ละนะ มาฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้หายจากโรคเหล่านี้โรคที่เป็นโรคของจิตใจเรานะความโลภความโกรธความหลงความรักความชังต่างๆอิจาริยาจะต้องคืนสูส่สภาวะปกติให้กับจิตใจของเราจิตเดิมแท้ที่พระพัฒนสอนตองใส่ไดว่าวความคิดหรือว่าอารมณ์การปรุงกันแต่งที่มาย้อมนะอันนี้มันเป็นลักษณะของโลกิยะแบบโลกโลกตอนนี้เรามาโล ก, กุทะละกันตุกังที่ปิกมือรู้สึกตัว ยกมือรู้สึกตัววางไว้ที่สะดือรู้สึกตัวจนคนะรบจุดสี่จังหวะสิจังหวะเห็นไหมหรือว่าพอเรานั่งเมื่อยแล้วก็เดินจงกรมเดินขณะหนึ่งก็วางหน้าวางตาวางแข้งวางขาวางไม้วางมือเดินรู้สึกรู้สึกรู้สึกเดินไปแล้วก็เดินกลับพอกลับมาเราก็ตั้งหลักใจใหม่สังเกตดูผ่อนคลายดีเราก็เดินรู้สึกรู้สึกรู้สึกเก็บน ปฏิปทานแต่ละขณะให้ถูกต้องเชื่อมโยงแล้วก็ต่อเนื่องนะมันก็จะมีผลนะที่เกิดจากการปฏิบัตินะด้วยความตั้งใจใส่ใจนะวางกายวางใจถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องนะผลก็มั น, นหลวงปู่เทียนเจีอโปได้พูดไว้ว่าคนที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วต่อเนื่องนไะม่เกินสามปนะีอย่างน้อยนะถึงจะมีกิเลสอยู่ก็อนาคามีนะ ก็คืออาจจะมีราคาปฏิกะอย่หลงเผลออยู่เล็กๆน้อยๆท่านการันตีแบบนั้นถ้าทำา1เดือน2งเดือน3เดือนไม่รู้อะไรมีเงินเดือนเท่าไหร่ท่านก็จะจ่ายให้ด้วยความรับผิดชอบแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องนะท่านก็นย้ำตรงนี้นนทำให้ถูกต้องเกินไม้เกินมือทั้งวันนะแล้วก็เวลาเดินไปไหนมาไห น, นเราก็สามารถที่จะรู้สึกตัวได้ การ ก, กินกันกับไทยซักเสื้อผ้าอาบน้ำอาบผ้าเราก็สามารถจะเก็บความรู้สึกตัวได้ตลอดทั้งช่วยโอกาสแล้วก็หาโอกาสทุกๆขณะส่วนองค์สมเด็ดสจสัมมาจ่าได้พูดไว้ว่าคนที่จเจริญตติปฐานอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเจ็ดวันก็ให้ผลได้อย่างกลางเจ็ดเดือนก็ให้ผลได้ อย่างช้าสุดเปีองค์ ส, สมเด็จสัมมาจ้าคนะคนพบใช้เวลาอยู่6ปีเพราะนั้นเราเรียนต่อนะอาจจะช้ากว่าผู้ทงสัก1ปีก็คือ7ปีสามารถที่จะนะบรรลุธรรมได้อันนี้นะก็จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวองค์นะ ส, สมเด็จสนะัมมาจถาเนี่ยท่านมนะีวิชาความรู้นะจบปริญญามา18สาตร นิติศาสตร์กรจบดาราศาสตร์กระจกมาชาวิชัยยศสงครามกระจกก็คือวิชาการทหารสนทนวหารกระจบวิชาภาษาศาสตร์อย่างเงี้ยนะแพทย์กระจกตีชาตานิกะพยาบาลกระจบโยคะก็คือวิชาวิศวกรรมกระจกแต่ท้ายสุดพุทธองค์ก็ยังทุกข์พอเห็นว่ามีการแก่การเจ็บการตายการพัดพลาดจากของรักของชอบใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอย่างเงี้ย คือมีอาการสองพันปีเหมือนกับเราเปะอะไรองสมเด็จรมาเจ้าเคยหงดุดหงิดเคยเจอความง่วงเคยมีปัญหาต่างๆห่วงพิมปาลาหุนเกิดขึ้นมาคิดว่าห่วงมันเกิดขึ้นมันเป็นเครื่องพรรณนาการรักแม่มันห่วงผูกคออย่างเงี้ยนะรักลูมห่วงผูกคอแม่พอ่อปอผูกแขนสมบัติแก้วแหวนมันแม่นผูกขา่างเงี้ยจต่ใต้สุดไม่ได้มีอะไรเลย่เงี้ย เราก็ต้องออกรับผิดชอบจนกระทั้นค้นพบใช้เวลาอยู่หปีอะไรเงี้ยนะเราก็จึงมั่นใจว่าสติปรฏฐานนะที่วัดป่าสุโตันะี่มันมาจากหลวงพ่อครูบาอาจารย์แล้วก็เชื่อว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์เชื่อหลวงพ่อเบียร์หลวงปู่เทียนนะก็ได้มาจากนะธรรมชาติซึ่งนะมีองค์สมเด็จสมมาเจ้านะค้นพบนะนั้นเราเป็นอนชุชนกนรุ่นหลังนะการเดินตามรอยคิดว่าไม่ผิดเพี้ยน เมอยี่ยงเราลงมือปฏิบัติก็ต้องรู้แจ้งเห็นจริงตามลาดับขั้นตอนจนะทังจะต้องถึงจุดหมายปลายทางก็คือธงชัยของพระอรหันต์ซึ่งท้ายที่สุดมันกลายเป็นว่ากลับมาหาความเป็นปกติของจิตกลับมาหาพระนิพพานที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนไม่เว้นเป็นกฎของธรรมชาติตรงนี้นะเพราะนั้นก็ขอให้บรรารมณของเราที่มารวมตัวกัน เมื่อกี้หันไปข้างหลังเห็นพระหยกจํานวนมากทีเดียวอบอุ่นทีเดียวเยวลยเห็นแม่ชีนนี่คนหัวนุ่งห่มผ้าขาวกันมากทีเดียวเห็นญาติโยมมาอันนี้ให้มาพิสูจน์กันในกฎของเจตธรรมที่มันมีอยู่และจริงๆในตัวเราทุกคนไม่เว้นเลยก็คือความรู้สึกตัวมันก็ขอให้ความปฏิบัติดีของเราทั้งหลายนั้นแล้วก็การที่เราได้รู้แล้วแล้วก็กําลังพึ่งปรมจันทร์ขทั้งหลายนั้น ก็จบเป็นไปเพื่อการทันที่สุดแห่งกองทุกจนทั้งถึงมาความสุขเกษมสารก็คือพระนิพานในวันจันรนี้โดยทั่วนาการทุกตัานทุกคนนั้นเธอ